กรากลับขาวว่าพระเทวนาิีวะเพื่อสัมผัสความมหัศจรารย์ที่ท่าน <f> ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในการศึกษาทุกท่านที่มาร่วมในงานเอเกิดถึงการรับผังขั น, น, น, นของคุณหลวงพ่อขมเคียนซึ่งเป็นพ่แม่ครูอาจารย์ของพวกเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส อีกครั้งหนึ่งจะได้สมองของคุณของท่านเพราะว่าตัวพ่ออาจารย์เองนั้นถือว่าไม่มีครูบาอาจารย์ใดนอกจากหลวงพ่อคําเขียนเป็นโชคดีที่เพียงพรรษาที่สองก็ได้มาพบกับหลวงพ่อแล้วก็ไม่คิดสแสวงหาครูบาอาจารย์ใดๆอีกทั้งหมดก็เริ่มต้นที่หลวงพ่อกับการได้พบกัน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 พ่ะในหนังสือบอกว่าอยู่วัดป่าสุขโศ ต, ตอนนั้นเ้ามาจำเรินป่าอยู่ที่วัดวัดทามไาลหวานก็ได้ไปพบกัทานทานอาจารยเปรหวานท่านทานอาจรรก็ก็ไปกราถึงว่าท่านอาจะรย์เปร์หานคืนหนึ่งแต่ตอนเช้ากาลังนั่งขันข้างกัจได้นั่งันข้าอยู่ที่ปลาลาใหญ่ข้างหน้าเมื่อก่อนนี้ฉันข้างบนน้ไม่ได้ฉันข้างล่าง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 เราก็ลืมตาเราก็บอกแม่าบอกพ่อบอกไม่ใช่หรอครับไม่ใช่แต่พ่อบอกเลยนะดูนะการยกมือใต้จังหวะให้ทําแบบนี้นี่คือคําสอนแรกที่หลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์และเป็นคําสอนที่เวลาพระอาจารย์ไปสอนที่ไหนก็ตามพระอาจารย์ก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียน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 จบลงทีละครั้งตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งว่าจบลงทีละครั้งเนี่ยมันกลายเป็นการจังหวะไปจังหวะไปจังหวะไปจังหวะและตัวจังหวะจังหวะในแต่ละครั้งเนี่ยมันนับเกิดการเตื่นรู้ทุกครั้งทุกครั้งขอ ง, ของการหยุดริ้วทุกครั้งขอ ง, ขอ ง, ของการเริ่มใหม่มันคือการตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เพราะนั้นมาเกิดความใหม่ตลอด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 ความคิดชอบเขาชัดเจนอยู่แล้วนั่นหมาความว่าเราก็ต้องรู้เท่าทัานความคิดแต่ในความคิดชอบเป็นไงเ้าบอกว่าดำดิ่ในการที่จะออกแต่การามดำดิ่ในการที่จะไม่มุ่งร้ายดำดิ่ที่ไม่เบียดเบียนถามว่าคนเราเนี่ยถ้ามันจะลุ่มหลงไปในรูปรสกลิงเสียงคือการมมะคุณทั้งหลายเนะี่ยใจมันคิด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 การให้ทานครั้งนี้เป็นไปเพื่อละความเสน่หทีนียวความงงแหง เ, หเอกจากใจของเราฝพกพิที่จะละเพื่ที่จะเป็นผลให้ฝึก่ที่ละความรู้ออกจากใจเห็น <He ard S 2> ไหมมันในการที่เข้าไปจัดการกับโลภะที่อยู่ในใจของเราความองงแหนที่ในใจของมันก็กลายเป็นกุศลทันทีเพราะเวลาเราทําอะไรก็ตามขอให้ได้ทั้งบุญหวังปีนใจสุดใจและขอให้ได้ทั้งกุศล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 สิ่งที่หลวงพ่อคอมเขียนท่านพูดท่านสอนท่านบอกนี่คือความจริงเราไม่แน่าเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดและถ่ายทอดมาสิ่งที่หลวงพ่อคอมเขียนได้เดินตามแนวทางหลวงพ่อเทียนมาแลถ่ายทอดมาด้วยง่ายๆด้วยหลักการง่ายๆคือแค่เคลื่อนไหวรู้สึก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 ยังไรยังไงจิตก็ต้องไปเพราะอนัตตามันบอกอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับอยู่แล้วว่ายังไงยังไงจิตก็ยึดที่ฐานได้ไม่ตลอดเวลายังไงมันก็ต้องออกเพราะใครที่พยายามปลุกปั้มที่ให้มันอยู่ตลอดเวลาเขาตรงเลยว่าตอนนี้คุณกําลังเดินผิดผิดทิศทางคุณไม่ได้เรียนรู้อย่างที่มันเป็นแต่คุณก็ยังกำลังพยายามทําให้มันเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการให้เป็น แต่ถ้าคุณเรียนรู้อย่างที่มันเป็นนั่นคือการคว้านความรู้สึกตัวไปเฉยๆแล้วสังเกตุมันอย่างที่มันเป็นหลวงพ่อมีความละเอียดอ่อนกับการสอนลูกสิษ ต, ตอนที่พรอาจารย์ก็มาอยู่หลวงพ่อที่นี่ขอรักษพ่ะอาจารย์ขึ้นไปปีละครับปรากฏว่าตรงตาทั้งหลายก็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 เขาแห ง, นงหน้ามองพ่อจ้าหลวก็่อสาหน้าหลวงพ่อสายหน้าเราก็เสร็จแล้วก็เดินลงมามาอุ้มมาบาดหลวงพ่อหลวงพ่อพาเดินออกไปทางนี้ไปไปบินท บ, บาดกับผมเดินตามหลังหลวงพ่อไปอุ้มบาดให้หลวงพ่อหมใจฉันชิดทิทิเบส์นะ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 บรรดังสะพอน้องกระนขขุของเขาเงนแล้วก็เขาบอกว่าเดวตรวจมณฑของเขาจดหนึ่งบทเสียงละฆังหายไปในหูบเขาขเขาก็จะอยู่ขึ้นมาใหม่บ้งหลวพ่อเขาเดินคุยกับพระอาจารย์ไปพวกเราได้ข้คิดอะไร <laughs>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 ว่คเขียนคือสำหรับพระาจาแล้วอันนี้คือที่สุดที่สุดของคาว่าครูบาอาจารย์ทั้งคำสอนทั้งสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดทั้งวิธีการทั้งคำพูดทั้งความใส่ใจและสุดท้ายแม้แต่การกระทาในวาระสุดท้ายท่านก็ยังสามารถแสดงธรรมได้อย่างหมดจด